แกบเป็นเนี่ยครับในปล่อยเขาเป็นป้ายผมได้แก้หลายคนเนี่ยครับคนเป็นไม่จะทางอื่นผมได้ไปเว้าให้ฟังครับนี่มันเป็นอย่างครับตอนเป็นวิปลาสครับวันนี้มันอยากจะติเสียได้ครับ ม, ร ม, มันไปติดความสุขมันไปติดความว่ามีตัวมีเนี่ยมันว่ามีที่พึ่งครับผมก็เลยสมมุติให้มู่ฟังไลยเถื่อเรื่องนี้ค ล, คลายคือเขาข้ามหอง ข, หข้ามห้วยข้ามหองนี่ครับเขาเอาไม่ไปใกล้ลำเดียวผมเคยข้ามนํามีครับ